คณะปฏิวาลภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องบัตคือ 1,100 1. พหนึ่งรภิกษุณีบวชให้หญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ12ปีผู้ได้ศึกษาสิขาในารหม้อตลอด2ปีแล้ว 2. พภิกษุณีวิกลจริต 3. ามภิกษุณีต้นบัญญัติสิขาบทที่ 6. จบ